ฉันหยุดยืนมองกุฏิพระแง้มมองใบไม้เขียวต้องลมครูเคลียวจิตใจเยือกเย็นไม่คิดเอาอะไรโลกนี้มีที่เดียวไม่น่าอยู่คือใจอันเป็นที่ตั้งของทุกนอกนั้นจะระเหวเร่ร่อนไปไหนก็ตามทุกแห่งคือสถานที่อันน่ารื่นรมได้ทั้งหมดเข้าใจอารมณ์ของผู้สแสวงหาความหลุดพ้นที่ทิ้งได้หมดทุกอย่าง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 ก็สุดแท้แต่ว่าาสนาแล้วกัน